เจดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หกวันที่หนึ่งความจริงที่อริยะเจ้าสนใจเช้านี้ฉันเดินผ่านหน้าห้องพระใจหนึ่งคิดเดินไปเฉยๆอย่างเคยแต่อีกใจอยากพนมมือไหว้สำรวจจิตตัวเองก็พบว่ายิ่งได้ดีจากพระพุทธเจ้าเพียงใดใจก็ยิ่งเคารพพระองค์ท่านเหนือเสียนกล้าวสูงส่งขึ้นเพียงนั้นแม้ผ่านหน้าห้องพระ ซึ่งรู้สึกว่ามีรูปแทนพระองค์ประดิษฐานอยู่ก็ชักไม่อยากก้าวฉับฉับดังเคยจิตที่อ่อนน้อมต่อพระองค์ท่านปรุงกายให้คล้อมหลังลงต่ำที่สุดเท่าที่อิริยาบทเดินจะเอื้อให้คล้อมได้ด้วยปัญญารู้ความจริงอันเป็นปัจจุบันฉันตระหนักว่าตนเองไม่ได้แสดงอาการเคารพนอบน้อมพระอิฐพระปูนหรือองค์ปฏิมาทองเหลืองไร้ชีวิตอย่างงมงาย วเพราะสั ญ, ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าสกิดเตือนจิตฉันให้ประวัติระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณแห่งองค์ศาสดามหาบุรุษผู้ทำให้ฉันมีวันนี้วันที่ตาเริ่มสว่างจากสภาพบอดสนิทมาชั่วกับชั่วกันและสติตามแนวที่พระพุทธองค์ประทานไว้ก็ทำให้ฉันเห็นการปรุงแต่งจิตเห็นมโนกรรมของตัวเองเป็นขณะขณะชัดเจนไปหมด เห็นถนัดว่าจิตเป็นผู้ปรุงอาการทางกายและในอีกทางหนึ่งกายก็หวนมาเป็นผู้ปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่างๆแม้แต่การยกมือขึ้นพนมมือไหว้ใครก็จัดเป็นกรรมมีความหลากหลายก่อร่างสร้างนิสัยอย่างหนึ่งๆได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติซ้ำๆจนเกิดความเคยชินรากของการไหว้มาจากความปรารถนาที่จะแสดงความเคารพ บ, บุคคลอันควรเคารพ แต่ไม่ทุกคนที่ปรารถนาจะไหว้และความเคารพก็มีระดับเป็นต่างๆบางคนเคารพน้อยเพราะไม่มีสายใยผูกพันหรือเพราะใจคอกระด้างเย่อหญิงจองหองบางคนเคารพมากเพราะรู้สึกในบุญคุณอันลึกซึง้งหรือเพราะจิตใจโน้มน้อมลงจนเป็นสภาพอ่อนโยนนิ่ม น, นวลเป็นธรรมชาติแล้วสาหรับชันในวันนี้ไม่ว่าจะไหว้ใคร หากมีอาการพนมมือคล้อมกายแล้วยังรู้สึกถึงความแข็งของมานะภายในจิตฉันจะโน้มศีรษะลงต่ําเข้าไปอีกจนกว่าจะรู้สึกถึงจิตที่ยินดีในอาการน้อมเต็มใจแล้วมีความสัมผัสจริงๆแล้วว่าได้ไหว้แล้วเมื่อจิตปรุงกายกายปรุงจิตจนเกิดสภาพอ่อนน้อมยิ่งสว่างสวัยหน้าอุ่นใจในตัวเองยิ่งฉันก็ยังรู้ว่าสภาพจิตอันปรุงขึ้น ด้วยกรรมดีชนิดนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลดีในอนาคตเหตุดีย่อมได้ผลดีเป็นธรรมดาโดยเฉพาะเมื่อดีเต็มดวงหนักแน่นจนถึงระดับปุญใจได้เช่นนี้ผลข้างหน้าย่อมเที่ยงและมั่นคงตามผลคืออะไรผลคือถ้าพลาดจากมรรคผลในชาตินี้อย่างไรฉันก็ต้องได้พบพุทธศาสนาอีกและไม่มีความกระด้างกระเดืองต่อพระพุทธเจ้า หรือพระอริยะสาวกโอกาสที่จะมีเหตุปัจจัยให้ปรามาสพวกท่านเป็นบาปเป็นกรรมใหญ่หลวงย่อมยากนอกจากนี้จิตอันอ่อนน้อมด้วยอาการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดย่อมให้ผลเป็นความสว่างเรืองรองมีความสุขความเจริญทั้งในรูปของกําเนิดแห่งสุขุมารชาติเช่นมีผิวกายดีไม่พลัดตกต่ำหน้าดูถูกช่วงต่างๆของชีวิต มักถูกอบอุ้มด้วยเหตุแวดล้อมอันน่าอุ่นใจกรรมที่ทำเป็นประจำเช่นการไหว้บุคคลอันควรเคารพนี้ประการเดียวจะเป็นที่มาของสิ่งดีๆมากมายหลายประการนี่คือความจริงเกี่ยวกับกรรมซึ่งฉันไม่ได้ถามใครแต่รู้ด้วยลักษณะประจักษ์จากภายในชนิดที่ถ้าถูกคนศาสนาอื่นขู่เอาว่าไหว้รูปเคารพจะเป็นเหตุให้ตกนรกฉันก็คงได้แต่ยิ้มมุมปาก หรือไม่ก็มองเขาด้วยความเวทนาการพยายามขู่ให้กลัวด้วยถ้อยคําอันสมมติขึ้นเองจินตนาการขึ้นเองปั้นนาเป็นตัวขึ้นเองของพวกเขาย่อมก่อความเดือดร้อนให้ตนเองสาหัสเมื่อเหตุชั่วร้ายย่อมให้ผลชั่วร้ายนึกว่ากุเรื่องหลอกคนเข่าแล้วจะได้รางวัลเป็นยศศักดิ์พิเศษในสวรรค์แบบของศาสนาตนที่แท้ต้องทรมานอยู่ในอัตภาพอันชวนสยอง เกินกว่าจะถ่ายทอดกันด้วยภาษามนุษย์มองแบบเปรียบเทียบระหว่างเผ่าพันธุ์นับว่าชาวตะวันออกโชคดีกว่าชาวตะวันตกที่มีการไหว้เป็นธรรมเนียมประจำเพราะหมายความว่ามีโอกาสทากรรมอันเป็นทางแห่งความเจริญได้บ่อยกว่าชาวตะวันตกที่เอะอะก็จับมือท่าเดียวมีแต่กิริยาอันมาจากความรู้สึกปรารถนากระชับมิรแน่นแฟ้น มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวชวนให้เห็นเป็นระดับเดียวกันไปหมดใจเลยถูกปรุงให้เป็นอย่างสำนวนที่ว่าก้มหูให้ใครไม่เป็นกันเสียมากการเจริญสติปัฏฐานทำให้ฉันเห็นจิตเห็นกรรมตัวเองชัดไปหมดกรรมคือเจตนาจากจิตเป็นอาการที่ปรุงแต่งจิตให้มีลักษณะเด่นไปต่างๆและตัวการเจริญสติปัฏฐานเองแม้จะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาว ทว่าก็เกื้อกูลให้เกิดความโน้มน้อมไปในความมักน้อยทางกามไม่หนักแน่นพอจะเบียดเบียนหรือจองเวีนใครเพราะฉะนั้นที่จะเกาะกรรมทำบาปละเมอสินห้าเช่นฆ่าสัตว์ลักรัพ์ผิดประเวณีโกหกและเสพสุรายาเมาก็เป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็แปลว่าโอกาสจะเดือดเนื้อร้อนใจเพราะผลกรรมชั่วย่อมลดน้อยถอยลงทุกที ใช้คำกล่าวหมวดเมื่อไหร่ก็เริ่มสบายเมื่อนั้นสติปัฏฐานสี่ทำให้ฉันเห็นความจริงต่างๆในโลกมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนถอดแว่นสีต่างๆออกแล้วมองโลกด้วยตาเปล่าจิตที่เปิดเผยไร้ฟ้ามัวมีความเป็นกลางไม่เอียงไปทางชอบหรือชังหรือถ้ายังชอบยังชังก็ไม่ถึงกับถูกครอบงำให้เกิดอคติยอมรู้จักบุคคลและยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดได้ตามจริง ยิ่งกว่าปุถุชนทั่วไปที่ถูกครอบงําด้วยอคตินานับประการสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นชัดคือคนเราตั้งต้นชีวิตขึ้นมาด้วยความไม่รู้เหมือนๆกันมีสัญชาตญาณเอาประโยชน์เข้าตัวเหมือนๆกันมีกิเลสคือราคะโทสะโมหะเหมือนๆกันจึงมีโอกาสทําทั้งดีและเลวคละกันตามสถานการณ์บังคับ ไม่ควรมีใครได้ชื่อว่าประเสริฐเพราะวงตระกูลดีไม่ควรมีใครได้ชื่อว่านายกย่องเพราะหลักฐานแวดล้อมชี้ชัดว่าอดีตชาติบำเพ็ญบุญไว้มากทุกคนมีโอกาสพลาดไปสั่งสมนิสัยเลวร้ายได้เท่าๆกันขณะเริ่มสั่งสมความเลวร้ายก็แทบไม่มีเขาเงาหรือนิมิตหมายใดๆบอกเลยว่ารากเงาแห่งความเดือดร้อนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะ จิตวิญญาณทุกดวงถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความไม่รู้ไม่อาจอย้องไปถึงอนาคตไม่อาจเชื่อมโยงถูกว่าเหตุแห่งกรรมอย่างนี้จะทําให้ต้องไปสวยวิบากกรรมอย่างนั้นทุกคนถูกกักขังไว้กับแรงกระตุ้นกิเลสเฉพาะหน้าในวินาทีนี้อยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทํานับเป็นเรื่องน่าสลดสังเวชเลิ่เกิน นิยามของความจริงสำหรับคนธรรมดาคือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือบางคนใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์มาถึงจุดหนึ่งจนพบว่าความจริงคือสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นและธรรมชาติก็เหมือนจัดสรรรูปธรรมนามธรรมไว้รองรับทุกความเชื่อได้อย่างน่าอัศจรรย์แม้กระทั่งความเชื่อที่ต่างกันเป็นตรงข้ามก็ดูเหมือนธรรมชาติช่วยรับรองว่าเป็นจริงให้ทั้งคู่ ยกตัวอย่างเช่นหากใครสังเกตว่าแสงน่าจะเป็นคลื่นเหมือนระลอกคลื่นในทะเลธรรมชาติก็ช่วยยืนยันว่าแสงเป็นลูกคลื่นจริงภายใต้การทดลองแบบหนึ่งแต่ถ้าใครนึกสนุกจินตนาการว่าแสงอาจเป็นอนุภาคเหมือนเม็ดทรายบนพื้นธรรมชาติก็อุตสาห์ช่วยส่เคราะห์ว่าแสงเป็นอนุภาคจริงๆภายใต้การทดลองอีกแบบ ยุคที่มนุษย์รู้สึกว่าฉลาดขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันก้าวไกลนี้แท้จริงแล้วถ้าถามบรรดาหัวกะทิของโลกที่ทำงานในห้องวิจัยค้นคว้าหาความจริงอย่างลึกซึ้งพวกเขาจะบอกว่ายิ่งได้คำตอบให้กับคำถามเก่าๆมากขึ้นเพียงใดก็ยิ่งเจอคำถามใหม่ๆอันน่าพิศวงไร้ที่สิ้นสุดหนึ่งคตอบอาจเป็นที่มาของอีกร้อยคาถาม ฉันเคยคิดเล่นๆว่าหากเอาความรู้ในวันนี้ของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขามารวมกันเราอาจได้ภาพความจริงที่ชัดเจนออกมาภาพหนึ่งคือเราไม่รู้อะไรเลยลองถามง่ายๆแค่คำเดียวทำไมเราต้องเกิดมาถ้าเอาความรู้ทางชีววิทยาเคมีฟิสิกส์รวมทั้งจิตศาสตร์มาประสานกันเราจะไม่ได้คาตอบอะไรมากไปกว่า ขีดจากัดและความไม่แน่นอนของวิธีพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์ได้แต่สร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายว่าจักรวาลเกิดขึ้นจากปรากฏการ์บิ๊กแบงอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าเซี่ยวินาทีเท่านั้นเท่านี้จักรวาลมีขนาดเท่าใดอยู่ในสภาพพิลึกพิลั่นเหนือจินตนาการปานใดแต่ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่ามีเหตุผลอะไรที่จักรวาลต้องเกิดอย่างไรก็ตาม ความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้ชัดๆเหล่านั้นแหละเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิของโลกทั้งหลายมานานถึงพิสูจน์ไม่ได้ชัดก็พยายามพิสูจน์กันต่อจากรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่งอยู่นั่นเองเพียงเพื่อปลอบกันระหว่างมนุษย์ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยากนักหนาที่มนุษย์จะหวนกลับเข้ามาสนใจเกี่ยวกับความจริงในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งโจทย์ได้ถูกต้องตรงประเด็นที่เป็นคุณค่าสูงสุดนั่นคือทำอย่างไรจะพ้นทุกได้เด็ดขาดแบบไม่กลับกำเริบขึ้นอีกความจริงโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์ใหม่เสีทีเดียวมีชนกลุ่มน้อยที่ดำรงชีวิตแบบนักปราดหรือฤาษีชีพรัรตามป่าลึกได้เคยตั้งโจทย์ทำนองนี้กันไว้แล้วและมีคาตอบที่เข้าเป้าซสด้วยนั่นคือแค่ปล่อยวางทุกสิ่งให้ได้เท่านั้น แต่คำถามที่ตามคำตอบนั้นมาคือทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้จริงแม้กระทั่งความรู้สึกในตัวตนตรงนี้มีการคิดค้นวิธีขึ้นสารพัดบางก็ใช้เหตุผลว่าในเมื่อติด ก, การมาสุขคือทางไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นถ้าทรมานตัวเองให้เผ็ดร้อนสุดขีดก็น่าจะปล่อยวางเสียได้กระมังไม่คิดเปล่ายัางทดลองให้เห็นจริงตามความเชื่อนั้น จนตายดับกันไปมากต่อมากพกพาเอาข้อสันนิษฐานเดิมไปพิสูจน์กันต่อในปรพบ